ในการศึกษาวิถีเนี่ยนะถ้าเราไปดูในเรื่องของหน้าที่ของจิตแต่ละขณะหน้าที่ของจิตแต่ละขณะในอาศัมโมหาสัมปชัญญะในจะชัดเจนในการกำหนดหรือพิ จ, จรารณาในบรรดาจิตทั้งหมดในผวางคา้าจิตเป็นต้นนั้นเป็นเหตุเป็นอุปนิเป็นอุปติภพสำเร็จเป็นไปในกรีนโกรี ตริยามโนธาตุขั้นยังผวังนั้นให้หมุนกลับแล้วก็จะได้อาวชนะให้สําเร็จอยู่พราวัชนากิจนั้นดับไปจากคูญยานก็ได้ทาทัศนกิจสําเร็จเป็นไปอันนั้นเป็นการอธิบายโดยรวมนะก็หมายความว่าในวิถีที่พวกเราศึกษามาทางปัญจทวารวิถีโดยเฉพาะในอติมันตอารม์หรือมหันตารม์เนี่ยเนะี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าจากคูญยานก็ทําทัศนกิจใช่ไหมถามว่าุ ก่อนที่จกักขูวิญญาณจะทําทัศนกิจนะปัญจทวารโชนะก็จะทําหน้าที่อาวชนะกิจพอพอแท้ที่จริงก็มาจากผวังตามลําดับตามที่เราได้ศึกษาจนมาถึงจกักขูดวิญญาณปัญจทวารโชนะทำอาวชนะกิจคือการพิจรารณาแล้วก็ดับไปจกักขูวิญญาณก็ทําทัศนกิจคือกิจในการเห็นส่วนวิบากมโนธาตุก็จะมาทําสัมปติชนะกิจในการที่รับอารมณ์ใช่ไหม เป็นสัมปติชนะกิจแล้วก็ดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากคือสันติรณะก็ทำหน้ที่สันติรณะกิจเมื่อสันติรณะกิจนั้นดับไปแล้วมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาเนี่ยจะให้โวอธรรปนานั้นนะ่ะทัปนากิจเนี่ยสำเร็จเป็นไปเพราะวอธรรปนากิจนั้นดับไปชาวนากิจจะแล่นไปเจครั้งจะแล่นไปเจครั้งที่ในบรรดาชาวนาทั้ง7นั้นนะ่ะถึงในชาวนะแรกท่านยกตัวอย่างเช่นว่าในชาวนาดวงแรกเนะี่ย เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การแลตรงได้ไหมหรือการแลซ้ายหรือแลขวาด้วยอํานาจของความกําหนักขัดเครืองและด้วยอํานาจความหลงว่า น, นี่เป็นหญิงนี้เป็นชายจะไม่มีเห็นไหม อ, อกชาวหน้าดวงแรกเนี่ยยังไม่ได้ทํากิจในการให้สําเร็จได้นะถ้าพูดถึงยังนไหมว่าเออชาวหน้าดวงไหนที่เป็นปัจจัยทําให้การเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าหมุนศีรษะไปทางทางขวาหรือทางซ้ายหรือแลไปทำตรง มองไปตรงๆนะชาวนะดวงแรกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะั้นยังไม่ได้เป็นปัจจัยนะว่างั้นยังไม่ได้เป็นปัจจัยแม้ในชาวนะดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หก็ยังเป็นปัจจัยแห่งการเหลียวซ้ายแลขวาและมองไปทางหน้าไม่ได้ในชาวนะที่เจ็ดก็ดีก็จะไม่มีแต่เมื่อวิถีจิตเหล่านี้แตกดับเป็นไปแล้วเขาแตกดับเป็นไปแล้วเนะี่ย ด้วยอำนาจถึงจิตดวงแรกจนถึงจิตดวงสุดท้ายเหมือนทหารในสนามรบเหมือนกันกับทหารในสนามรบนะ่ยการแลตรงการแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจถึงความกำหนัดเป็นต้นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นก็จะพึงมีก็แปลว่ามันแตกดับไปตั้งนานแล้วเนี่ยเลยแต่มันก็เป็นปัใจจัยให้การเหลียวซ้ายแลขวาการมองตรงหรือการสมมุติบัญญัติว่าเป็นหญิงเป็นชายจึงตามมาคือมันจะเป็นไปทุกขณะใช่ไหม ในแต่ละขณะของชาวนาที่เป็นไปนั้นเนี่ยจะเพิ่มจิตตชะโรคให้มีความเกิดขึ้นวาโยธาตก็แพ้ไปใ น, ในทั่วไปทั่วสรีละเนี่ยนะก็จะเป็นไปนี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในลักษณะอย่างนี้เขาบอกการพิจารณาลักษณะนี้เป็นมูลปริญญาเป็นเหตุที่จะเป็นปใจใัจจัยเกิดปริญญาสามเนืท่านบอกให้ตรึกพิจารณาให้เข้าใจตรงนี้เถอะต่อไปในยาตาปริญญาตีระนปริญญาและ อาหารปริญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่คิดอย่างนี้อัตกระถาท่านพูดอย่างนี้นะครับฉะนั้นการที่จะสร้างเหตุปัใจจัยในการที่จะทํามูลปริญญาหมายความยาต่าปริญญาเป็นต้นเนี่ยจะต้องตรึกพิจารณาให้เข้าใจให้เข้าใจก่อนนะวิถีจิตที่เป็นไปตั้งแต่เริ่มเนี่ยทางจากขู่ทวารวิถีเป็นต้นนี่ไหมเพราะอะไรเพราะพิจารณาตรงเนี้ในดีกาขยายคือดีกาขยายมาเข้าหลักสูตรที่เราจะขึ้นทางมโนทวาร น, นะครับ ส่วนในมโนทวารวิถีธรรมที่เป็นอารมณ์นั้นมีขณะสั้นบ้างเช่นจิตและสัมผัสเป็นต้นเนี่ยและภาษาเป็นต้นนี่นะเป็นอดีตหรืออนาคตบ้างพ้นจากการทั้งสามบ้างพ้นจากปัจจุบันอนาคตอดีตบ้างนี่นะย่อมปรากฏโดยแท้ดังนั้นจึงไม่มีในดังกล่าวในมโนทวารวิถีว่าอารมณ์นี้ล่วงขนาดจิตไปหนึ่งขณะก็ดีที่ล่วงขนาดจิตไปขณะนั้นก็ดีเมื่อถึงถีติ เท่านั้นย่อมปรากฏจะไม่ได้มีคําอธิบายลักษณะเหมือนกับทางปัญจทวารคือถ้าทางมโนทวารเนี่ยจะไม่บอกว่าอารมณ์นี้ล่วงไปสองสามขณะจะไม่ได้บอกอย่างนั้นม อ, อกใช่ไหมลักษณะการอธิบายทางมโนทวารเนี่ยจะไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยนะถ้าในอภิธรรมมัธสังขะไม่ได้บ่งบอกว่ามีอตีถาวังหรือไม่มีใช่ไหมไม่ได้บ่งบอกตรงนั้นไว้โดยซ้ําไปไม่ได้บอกว่าอารมณ์นั้นล่วงไป อย่างเช่นรูปารมณ์นั้นเข้ามาสู่ครองของมโนทวารแล้วล่วงไปหนึ่งสองสามสี่ขนาดจิตไม่มีกล่าวอย่างนั้นหรอกเหตุที่ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะว่า<ม>ทางมโนทวารเนี่ยการตรึกหรือการน้อมก็หาลมได้เนาะกำลังเขาสูงไม่เหมือนทางปัญจทวารเน่ยไหมถ้าทางปัญจทวารจะอาศัยอะไรเป็นใหญ่อาศัยอารมณ์เป็นใหญ่แต่ถ้าทางมโนทวารจะอาศัยจิตและเจตสิกเป็นใหญ่มองเห็นห น, นะนะจะเป็นอย่างนั้นมโนทวารเนี่ยนะถามว่า คำว่ามโนทวารล้วนๆในมโนทวารซึ่งเป็นที่ปรากฏพร้อมด้วยการกระทบในจักุทวารเป็นต้นเรียกว่ามิสกะทวารเขาเรียกทวารผสมคือการเรียกอะเรียกได้หลายเนย้อถ้าเราบอกสุทธามโนทวารสุทธาทวมโนทวารวิถีใช่ไหมวิถีที่เกิดทางมโนทวารล้วนๆเนี่ยถ้าบอกตัทนุวติกะมโนทวารวิถีนนี้หมายถึงมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถี นี่นี่ก็แยกให้ออกตรงนั้นทีนี้ในมโนทวารละวิถีทั้งสองอย่างนั้นมโนทวารลวิถีที่เกิดติดตามปัญจทวารละวิถีนั้นน่ยกับมโนทวารที่สําเร็จโดยเฉพาะมองออกมโนทวารที่สําเร็จโดยเฉพาะคืออะไรคือสุดท่มโนทวารละวิถีส่วนมโนทวารที่ติดตามปัญจทวารก็คือตัทนุวัติกะมโนทวารละวิถีหรืออนุพันธะกะ มโนทวารเรอีกทียังไม่ได้ดูในใจยังจาความจำเดิมๆอยู่นอะพพูดก็เลยนึกได้ทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเมื่อระคังถ้าอุปมาเนเมื่อระคังเนี่ยถูกตีด้วยท่อนไม้ครั้งหนึ่งไอ้รูปกาล่าแปดรูปเนี่ยหรือรูปแปดชนิดเนี่ยนะซึ่งได้แก่มหาภูทรูปสีเนี่ยเนยดินน้ำไฟลมสีกินรสแล้วก็โอชาธาตุเนี่ยนะที่เป็นธาตุตัวจริงของระคังเนี่ยนะแท้จริงคือ ที่เราเรียกว่าระครังระครังก็คือเอาวินโภค ร, รูป8รวมกันมากๆไม้ที่ถูกตีก็คือเอาวินิพ ور ครูป8ดินน้ําไฟลมสีกิรลดโอชาธาสนั่นแหละที่จะก็สมมติว่าเป็นไม้ตีละคังสมมุติว่าเป็นระ ค, รงมมะครังเนึ่ยกระทบกันและกันนี่ก็ทําให้สีกระแสะเสียงกลางวาน ด, ดําเนินเป็นนานได้ใช่ไหมทาให้กระแสะเสียงของระครังนั้นดําเนินไปได้ชันนานได้ชันใดเมื่อทวารทั้ง5้าจากขุทวารโสตัฐวานคานาทวา น, า น, าวานชิวหาทวานและ กายธวานเนี่ยถูกอารมณ์มากระทบแล้วครั้งหนึ่งรูปารมณ์มากระทบเป็นต้นเนี่ยนะทางทางธวานทาั้ง5เนี่ยถ้าทางจักขคูธวานและ ว, วิถีก็คือรูปารมณ์เข้ามากระทบกันกันกบหรือเข้ามาสู่ครองขอ ง, ของจักขุทวานเนี่ยเนะี่ยเป็นต้นเนี่ยนะีในขณะที่มากระทบแล้วขั้นวิถีจิตดําเนินไปในทวานทั้ง5ดับไปแล้ว เช่นวิถีทางจักขุทวารดับไปแล้ววิถีทางโสตทวารดับไปแล้วค า, า, านทวารชิวหัทวารกายทวารและไอเนี่ยในในในห้าทวารเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยที่ผ่านไปแล้วก็มาปรากฏทางมโนทวารใช่ไหมทีนี้การปรากฏตามมโนทวารนนะี่ยตามสภาวะนะีตามสภาวะทาให้วิถีจิตที่มีมโนทวารหลายพันหลายแสนหลายล้านวิถีใช่ไหม มันก็ดําเนินไปได้และกระแสผวังที่เป็นทาวารของกระแสวิถีจิตเหล่านั้นก็ชื่อว่ามโนทวารนะมโนทวารที่ติดตามอะไรติดตามปัญจทวารถ้าจริงอปัญจทวารไปที่ไหน allons? มโนทวานก็ตามติดไปที่นั่นเลยใช่ไหมไอ้เพื่อผวางอ่ะคอยวิ่งหัว อ, อยู่ท้ายไหมนี่นแหละมโนทวานเนี่ยก็ตามตามทางปัญจทวารทางมโนทวาน น, นี่แหละนี่เขาเรียกมโนทวานติดตามทางปัญจทวารและจิตเหล่านั้นก็เป็นวิถีจิตที่ติดตามมา ทำไมจึงบอกเป็นวิถีจิตที่ติดตามมาเพราะในที่สุดจริงๆก็มาแปลสภาพเป็นมโนทวารลวิถีเป็นต้นนี่นะนี่เป็นในลักษณะอย่างนั้นอันอย่างนั้นเขาเรียกว่าแตธานุวติกะมโนทวารลวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารลวิถีที่ติดตามปัญจทวารลวิถีเกิดตามปัญจทวารลวิถีส่วนพระวังกัจิตที่มีสภาวะคืออารมณ์ทั้ง6ปรากฏโดยประการนั้นๆปราศจากการติดตามโดยการกระทบทางทวารทั้ง5้า ชื่อว่ามโนทวารที่สําเร็จโดยเฉพาะมองเห็นไหมเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะทีนี้อย่างนี้ต้องไปดูในไหนดูในเฉลยประกอบพวกเราดูเฉลยประกอบก็แล้วกันดูเฉลยประกอบนาะในหน้าที่เท่าไหร่จะดูเหตุของมโนทวารเนี่ยนะเหตุของมโนทวารเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้นั่นเลยก็ดูมโนทวารละวิถีนะดูเหตุเกิดของมโนทวารละวิถีสิบสี่อย่างแต่ก่อนจะดูเหตุเกิดของมโนทวารละวิถีนั่นน่ะทำความเข้าใจก่อนว่า ตามในของตามในของอริธรรมัตจสังขหารเนี่ยวิท ย, วยปวตัตติทางมโนทวารและวิถีเ น, ออเนี่ยมีอยู่2อย่างใช่ไหมวิภูตารมณ์มมมก็หมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจ 2. องอวิภูตารมณ์หมายความว่าอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจต้องการดู2วิถีนี้ก็เปรียบเทียบในเปรียบเทียบในในแผ่นชีตเนี่ยนะไม่ไม่มีไม่มีอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่และเปรียบเทียบตรงนั้น คือที่จริงเวลาขึ้นมโนทวารวิถีเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยในหลักของที่นั่นเข้าไว้เนี่ยก็จะเขียนมโนทวารวิถีห้าสิบสวิถีเข้าไว้ใช่ไหมดูหน้าที่สิบสี่ของของชีตก่อนดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเชื่อมโยงในมโนทวารวิถีห้าสิบสวิถีเป็นการมชวนมโนทวารวิถีเนี่ยนะสี่สิบห้าวิถีในสี่สิบห้าวิถีเป็นแตทานวติกามโนทวารวิถีสี่วิถีสุทธมโนทวารวิถีสี่สิบเอ็ดวิถีนะ ในแต่ธาตุนวติกามโนทวารวิถี4วิถีก็มีอตีตักข้าณวิถีนี่เป็นวิถีที่เกิดติดตามปัญจทวารวิถีนะสมูหักข้าณวิถีอัฐถักข้าณวิถีแล้วก็นามมักข้าณวิถีส่วนสุทธามโนทวารวิถีมี41วิถีก็มีอัติวิภูตารลมวิถีมี22วิถีวิภูตารลมก็มี16วิถีอวิภูตารลมมี2วิถี อาติอวิภูตารมมีหนึ่งวิถีนี่แสดงตามในยะของอัจารีกาส่วนอัปนาโชนมโนทวารวิถีนั้นมีอยู่7วิถีนะก็มี 1. อาธิกามิกะชาณวิถี 2. ชาณสมาปัติวิถี 3. ปาธกะชาณวิถี 4. อภิญยาวิถี 5. มัคคาวิถี 6. ผลสมาปติวิถีแล้วก็ 7. นิโรธสมาปฏิวิถีนีเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้ถ้าเปิดไปอีกหน้านึงอันนี้ไปยังรวดเร็วนิดนึงนะจะยังไม่ขยายตรงนี้หรอกอันนี้ต้องการให้ดูว่าวิภูตารม์อวิภูตารมตามในยะของอภิธรรมมัทสังหะนั้นท่านแสดงไว้เพียงแค่นี้เนี่ยนะท่านแสดงไว้เพียงแค่นี้ยแสดงบอกว่าเป็นผวังผวังกัจ ร, ระนาถผวังคู่เปรเียดทมาโนทวาเรเลิศชนะก็เฉาณใสกามเฉาณยี่สิบเก้า 29, แตถาลำณจ11แล้วก็ลงผวังสิบเป็นกามะพะวงสิ ส่วนอวิภูตารมวิถีก็เป็นชนวาระฉะนั้นจะไม่มีก็ใส่พวัง 19, กาามชนา29ิกก็ลงพวัง19เเหมือนกักเหมือนเดิมพวัง19เวเขาสองมาใหบาก8 ม, มหากติบาศเก 9, ้ากามชฌนา29ิกก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าคืออะไรอากุศล1ิบสอหัดสถุภาธาจิตหนึ่งหมาากุศลจิต8แล้วก็มหากริยาิต8ไอตรงนี้ ส่วนตามในของอัตถกถาตามในของอัตถกถาดีกาเนี่ยอิมาสเมิงมนโทนโทวารเปีเป็นต้นเนี่ยนะมีตถาธรรมนาวาละนั้นเป็นอติวิภูตารมตถารรมนาวละส่วนที่ลงชาวนาวละนั้นเป็นวิภูตารมวิถีที่เป็นวอดถะปนาวละนั้นเป็นอวิภูตารมวิถีที่เป็นโมฆาวาละนั้นเป็นอติอวิภูตารมวิถีก็ ก็แยกออกในลักษณะเช่นนั้นทีนี้พอมาดูในเฉลยในเฉลยเนี่ยนักวิทยาปฏิติทางมโนทวารตามในของพิธามัตจสังหามีสองอย่างคือวิภูตารมณ์หมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจสองอาวิภูตารลมคืออารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจส่วนในรายละเอียดที่บายเดี๋ยวไว้อีกทีนะเดี๋ยวจะขยายอีกทีชัดหรือไม่ชัดนั้นลักษณะยังไงส่วนตามในของอัตถกถาดีกาเน้นมีสี่ อติวิภูตารลมก็หมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดเอ๊ะตรงกับอติมหันตารลมไหมตรงกันไหมต่างกันนะโดยความหมายนะคําแปลต่างกันแล้วในอติมหันตารลมวิถีจําได้ไหมก็แปลว่าอะไรอติมหันตารลมคืออารมณ์ที่มีจิตตระหนัมีจํานวนมากเหลือนะจนสามารถเกิดได้เจ็ดอย่างก็มีจนนะ ม, มากเหลือตรงนี้ขั้นลอยปรากฏชัดถ้าอารมณ์นิด ถ้าเป็นอติวิภูตารมนี่ยแปลว่าชัดจริงๆไม่ใช่ชัดธรรมนันจะชัดมากเลยก็เห็นไหมในขณะที่เรารับอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันชัดในใจของเราในกระแสจิตของเราทั้งหลายนั่นแหละคือเป็นอติวิภูตารมนะครับอารมณ์ประเภทนั้นวิภูตารมคืออารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจพูดถึงในล้านของอติวิภูตารมเนี่ยต้องนึกถึงอะไรนะถ้ากรณีที่จะไปรับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่หมายต้องเป็นอติวิภูตารมที่เป็นใช่ไหม ต้งขนาดนั้นนะครับอารมณ์ของพันธิพารก็ชัดอยู่แล้ววิถีจิตที่เกิดขึ้นก็ชัดฉะนั้นจึงเกิดขึ้นทําความชัดเจนในอารมณ์นั้นอย่างมากเลยทีเดียวอวิภูตารมณ์ก็หมายความว่าอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจส่วนอติอวิภูตารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดเนี่ ย, ยทีนี้นั่นคือตามในของอัตถิฐาทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสภาวะหรืออารมณ์เนี่ย ที่ปรากฏในทางมโนทวารและวิถีที่สำเร็จเฉพาะนั้นน่ะถามว่าเป็นยังไงอารมณ์ปรากฏได้เพราะเหตุที่ว่าอารมณ์ที่เคยพบมาอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ที่เคยพบอารมณ์ที่เคยสดับอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเคยสดับหรือว่าความเชื่อความพอใจความดํารบิอาการความเหมาะสมแห่งาการไข้ควรความรู้นี่นะหรือกรแรงกรรมทั้งหลายอนุภาพฤทธิ์ต่างๆด้วยอำนาจงาธาตุแปลปวนหรือว่าเทวดา นำมาสแสดงหรือด้วยอํานาจความรู้ในอริยสัจด้วยโลกีญยาณยหรือด้วยอํานาจของการรู้แจ้งด้วยโลกุตระญาณเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเหตุใช่ไหมเหตุ14อย่างเหตุ10บสอย่างข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดมโนทวารวิธีได้ไอตรงนี้วิธีท่องจําก่อนนะวิธีท่องจําเดีย๋ยวจะแนะวิธีแรกๆกเนี่ยการท่องจํานั้นนะ่ยนะนะให้จาําภาษาบาลี ให้จำภาษาบาลีซึ่งจำง่ายนะให้จำจำภาษาบาลีคือท่องบาลีให้ได้ก่อนแค่นนะั้นส่วนความหมายนั้นจำย่อๆเข้าใจได้เลยการมหานุชิตสบายมากอย่างยกตัวอย่างเช่นลองท่องดูทิ ท, ท, ทิทัโตเนี่ยเห็นไหมทิทัโตเนี่ยอารมณ์หกเคยเห็นเคยเคยเค ย, เคยเห็นมาแล้วเนี่ยเราเอาเราแปลแค่นี้ยอารมณ์หกเน่ ย, เ, นยเคยเห็นมาแล้วแล้วทิทัโตทิท่าสัมพันธ์ทโตก็หมายความว่าอารมณ์หกที่กำลังปรากฏเหมือนที่เคยพบมาแล้วอห็นไหม ถ้าเรถ้าแปลลักษณะเช่นสุต้นๆอย่างเงี้ยมันจะชัดสมสุตโตเคยฟังเรียนและกําลังฟังเรียนและอ่านใชวิธีวิทยอเคยฟังเรียนกําลังฟังเรียนและอ่านอย่างนี้เป็นต้นเลยกาลังเรียนและกําลังอ่านนี่เขาเรียกว่าสุตโตขึ้นในสุตตาแน่เด่สุตตาสัมพันธ์ทโตอารมณ์พวกที่กําลังปรากฏเหมือนกับที่เคยฟังและเรียนหรืออ่านลักษณะเช่นศรัทธาความเชื่อในคำพูดของผู้อื่นใช่ไ ร, รู้จีรารู้จิยาในี่ความพอใจของตนเองอาการาปริวิตักเกณะนี่ก็คือความคิดนึกโดยอาศัยเรื่องราวคำพูดหรือเพศเป็นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความเหตุผลต่างๆทิฏฐินิชานักขันติยานี่ก็คือการพิจารณารมต่างๆโดยปัญญาความรู้จริงไม่ผิดก็คือหรือด้วยรัฐที่คือความเชื่อถืออาจจะผิดก็ได้อันนั้นก็ลักษณะนี้แล้วก็นานกรรมมเลนะก็คือกรรมต่างๆ นานาอิทธิเพเรนาก็คือฤทธิ์ต่างๆพระธาตุกโคภวเสนะก็คือธาตุในร่างกายมีน้ำดีเป็นต้นน่ยนะแล้วก็เทวโตประสังห า, ราเรวเสนากคือเทวดาดนใจอนุโพทะวเสนะก็รู้อริยสัจโลกียปัญญาสุตตาเป็นต้นนี่ยนะแล้วก็ปฏิเวทวเสนะก็คือรู้ด้วยสัจจะนั่นสิบสี่อย่างทีนี้มาทําความเข้าใจแต่ละอย่างนะ การทำความเข้าใจแต่ละอย่างตรงนี้จําเป็นนะการทำความเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยลักษณะของการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะในตรงเนี้ถ้าทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นก็จะสะดวกขึ้นในการในการทำความเข้าใจในการที่จะขยายความต่างๆได้อยกตัวอย่างเช่นทิฏฐโตเนอารมณ์6ที่เคยพบมาเนี่ยอารมณ์ที่เคยพบคืออารมณ์หที่จริงถ้าในดีกาบอกอารมณ์5้าพาะเคยพบใช่ไหม <laughs> ที่ในทวารทั้งห้าเคยรับมาก่อนแต่ถ้าในที่นี้ท่านบอกว่าอารมณ์หก <c oughs> เอาอะไรดีฮะเอาอะไรดีเนี่ยทิฏฐโตเนี่ยด้วยหน้าที่เราได้เคยพบอารมณ์ทั้งหกมาแล้วแท้จริงแท้จิเอาเอารมณ์หกหรือลรมณ์ห้าดี อารมณ์หกเคยรับมาก่อนแล้วเมื่ออารมณ์นั้นได้มาได้รับเหตุปัใจจัยในการอื่นย่อมปรากฏในมโนทวาร ล, ล้วนๆอันนี้เป็นสุท้าเนอะนี่เป็นสุดท้ายนอะ น, น, นะนี่ยังไม่ได้อธิบายแต่ท่านุว่านนะครั้งนี้อธิบายสุดท้ายเหตุที่ต้องการอธิบายเพราะว่าปัญจทวารทีวาร ย, ย่อๆไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปขยายสลับไปสลับมาหรือเปล่าไม่ใช่นะนะทีนี้ลักษณะเช่นนี้ก็บอกว่าเคยรับมาก่อนสีนั้นส่วนทรงนั้น สิ่ง ต, งต่างๆเหล่านั้นเคยรับมาก่อนอารมณ์เหล่านั้นก็ได้รับเหตุปัจจัยในการอื่นเั้นอารมณ์ประเภทนี้ก็ได้รับเหตุปัจจัยในการอื่นก็มาปรากฏทางทางมนุวารลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐโตก็สามารถมาปรากฏทางใจได้ส่วนคำว่าทิฏฐะสัมพันธโตอารมณ์หกที่กลาลังปรากฏอยู่นั้นเหมือนกันกันกบอารมณ์หกที่เคยพบมาแล้วตรงนี้อธิบายยังไง อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับอารมณ์ที่เคยพบมาแล้วคืออารมณ์ที่คล้ายกับอารมณ์ที่เคยพบมาแล้วเนี่ยมันคล้ายกันมองเห็นไหมอารมณ์ประเภทนี้คือมันคล้ายอะแม้อารมณ์ที่ไม่เคยพบของผู้ที่เห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยก็อนุมานไงลักษณะอนุมานก็รู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายว่าเยออารมณ์นี้เคยพบมาแนะเนี่ยเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างปรากฏได้มากโดยแท้ ลักษณะอย่างนี้คื อ, อยังไงมองเห็นไหมที่บางทีเราคับค่ายคับคาในอารมณ์บางอารมณ์ใช่ไหมเราบอกอี๋มันเป็นยังไงอารมณ์ประเภทนี้เคยเห็นที่ไหนนะเป็นต้นนั่นนะลักษณะนี้เขาเรียกอนุมานเนะแต่ไม่ใช่อนุมานผิดนะบอกชาติที่แล้วเคยพบมาที่ไม่ใช่แน่นอนเท่านั้นลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐาสัมพันธ์เถระอารมณ์ประเภทนั้นเคยพบอารมณ์ประเภทนั้นเคยพบมาทีนี้ส่วน สุตโตเนี่ยด้วยอำนาจที่เราได้เคยฟังเคยเรียนหรือขณะที่กําลังฟังกําลังเรียนกําลังอ่านข้อความนั้นอยู่มันตรึกได้เลยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือสุตโตเคยฟังเคยเรียนแล้วก็กำลังฟังเรียนแล้วก็อ่านอยู่เนี่ยเนี่ยสุตตะในที่เนี้ยเขแปลว่าแปลว่าสดับหรือการฟังเนี่ยเนี่ยอารมณ์6ที่เคยสดับจากคนอื่นแล้วก็รับเอามาแล้วก็รับเอามา ลักษณะอย่างนี้นี่นะทีนี้ถามว่ารับเอามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงอารมณ์นั้นมีขอบเขตกว้างขวางกว้างข ว, า ง, ขวางอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับมาโดยสดับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างสมมุติฟังธรรมเนี่ยหรือศึกษาคําสอนเนี่ยนีชื่อว่าเป็นอารมณ์อารมณ์ทุกอย่างนะฉะนั้นในขณะที่อารมณ์6กทั้งรูปอารมณ์สัตตารมณ์กันธารมณ์และสารอารมณ์โผฏฐาพอารมณ์เนี่ยที่เราได้เคยฟังเคยเรียนเคยรู้มาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าที่ได้ ที่ได้เคยฟังคืออารมณ์นั้นมันกลับมาปรากฏไงกลับมาปรากฏ <_ d ata> ใจเช่นเราฟังมาแล้วเนี่ยใช่ไหม <_ d ata> พอเราฟังแล้วเนี่ยนะเช่นในขณะฟังเนี้ยอารมณ์ประเภทนี้มาปรากฏใหม่ลักษณะนี้ก็เรียกสุด ต, ตตัว <_ d ata> แล้วปรากฏเนี่ยมันชัดเลยนะฟังมายัางไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะออ <_ d ata> อย่างอย่างอย่างอันนี้อันนี้ไม่ไกลไปสาหรับในวิธีเนี่ยจริงๆจริงๆตรงเนี้ย ถ้าจะพูดไปก็หมายความว่าที่ใช่อารมณ์นั้นมาปรากฏแต่ปรากฏทางมโนทวารนะปรากฏทางใจเลยนะแต่มันเด่นมาเด่นชัดหมดเลยอารมณ์เนี่ยเขาคงเคยเป็นกันทุกคนแหละลบเว็เนี่ยใช่ไหมใช่มันเด่นชัดเนี่ยหรือว่าสุดตาสัมพันธ์ทโตเนี่ยอารมณ์หกที่กําลังปรากฏอยู่นั้นเขาบอกอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับอารมณ์หกที่เคยสดับอารมณ์นั้นมาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันคืออารมณ์น่ะคล้ายกับอารมณ์ที่เคยสดับมา มันคล้ายกันมากมันเหมือนกับว่าเราเห็นสิ่งใดเรารู้ไอ้สิ่งนี้นะมันลักษณะคล้ายอย่างทวารตาบ่งบอกแต่ว่าที่เราตรึกได้เนี่ยหรือที่มันผุดขึ้นในใจเราในขณะนี้มันสัมพันธ์มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยได้ยินหรือเหตุปัจจัยจากความได้ยินเป็นปัจจัยทําให้ความคิดของเราเนี่ยมันขยายเพิ่มมันสัมพันธ์กันใช่ไหมมันสัมพันธ์จากจุดนั้นมาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุทธามนูมันเกิดขึ้นมาได้นั่นเอง เหตุปัจจัยจากสุตตสัมพันธ์โตเนี่ย เ, เกี่ยวกันในเรื่องว่าอารมณ์นั้นเน่ยเป็นปัจจัยสืบเนื่องและก็คล้ายคลึงกันนะถ้าหากว่านักตรึกทั้งหลายเนี่ยจะชัดเอเนี่ยใช่ไหมที่เราตรึกฤทธิผุดขึ้นมาเนี่ยจะคล้ายกับที่ฟังมองเหนะ็นไหมที่เราฟังเนี่ยเชิดก่อนมียอมคนนึงบอกว่าเนี่ยที่ยอมฟังเนี่ยว่าไงจะยอมยอมไปตรึกพิจารณาเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเนี่ยคล้ายกับที่ฟังแนละ้ว ที่ท่านอาจารย์อธิบายบอกยังไงอย่างนั้นเลยว่าคือเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันชัดอย่างนั้นลักษณะอย่างเงี้ยสุดตาสัมพันธถตาอารมณ์คล้ายเพราะจริงๆอารมณ์ที่ตรึกใหม่นะครับก็มีทิฏฐโตอารมณ์หกที่เคยพบมาทิฏาสัมพันธถตาอารมณ์หกที่กําลังปรากฏอยู่นั้นเหมือนกันที่เคยพบมาถ้าอารมณ์หกที่เคยพบมาก็เหมือนกันกับว่าแท้จริงที่เคยทราบมาก่อนเเป็นต้นนะนะ หรืออารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับที่เคยพบมานั่นก็เป็นประการที่สองทิฏฐสัมพันธะที่เกี่ยวเนื่องเราเออเคยพบเคยเห็นมาหรืออารมณ์ที่เคยสดับเคยสด hey. ับนิสุโตนะเคยฟังเคยเรียนหรือกําลังฟังกําลังเรียนกําลังอ่านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอารมณ์ประเภทนี้ก็สามารถที่จะปรากฏได้นะกว้างขวางอารมณ์ประเภทนี้ที่ได้รับมาโดยการสดับพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ทุกอย่างเหมือ <Okay. S 1> <Stay oin. S 2> นกันแม้แต่การฟังธรรมของพุทธเจ้านี แต่ก่อนมาก็คือว่าอารมณ์ที่เคยสดับมาก็หมายทิฏฐาสัมพันธะที่เคยสดับมีความสัมพันธ์อารมณ์หกที่ปรากฏเหมือนที่เคยฟังเคยเรียนศรัทธายากเกิดจากความเชื่อดังที่ได้กล่าวรู้จิราก็คือความพอใจอากัปกติตักเกณฑ์นคือความคิดในอาศัยเรื่องราวคําพูดต่างๆ่างอาตากัปกติการดำรินั่นเองข้อมูลโดยอัดโดยพยัญชนะแล้วก็เหตุผลต่างๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น อากาฬวิตั์แ ก, กะนะนี่มีลักษณะอย่างนี้นะด้การพิจารณาอัดและพยัญชนะและข้อมูลหรือเหตุนี่ผิดหรือถูกก็ได้นะแล้วแต่เหตุผลของท่านผุ้ใด ย, ยึดถือตรงนั้นแล้วก็ทิฏฐิทิฏฐินิชานะขันติยาการพิจารณาอารมณ์ต่างๆด้วยปัญญาความรู้จริงไม่ผิดก็คือลทัทธิคือความเชื่ออาจจะผิดก็ได้นั้นก็แยกเป็นสองประเด็นอย่างนั้นเนาะ แล้วกับการต่อมาคือนานากรรมาพเรนะะก็กรรมต่างๆที่พูดไปกรรมต่างๆสงสยัยไหมข้อเ น, นี้ยแท้จริงอธิบายไปแล้วไม่ได้อ่านตัวเองไงก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าเข้าใจไปแล้วก็แล้วกันนะตามอิงเลาจุบายไปตัเหมือนกรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์มาปรากฏนั่นเองอารมณ์นี้อาจจะเป็นอารมณ์ในพบก่อนๆมาปรากฏแต่มาปรากฏในยามปกติไม่ได้ปรากฏในเวลาใกล้ตา นาณาอิทธิพเลนะอิทิริต่างๆที่ผู้อื่นมาแสดงตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาได้ทางมโนทวารทาตุกโคเาะว่เส น, นะก็คือธาตุในร่างกายเสียมะ <c oughs> เป็นต้นกําเนิดแล้วก็ประการต่อมาคือเทวโตประสังหาระวะเสนะมีเทวดาดนใจเมื่อเทวดาดนใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการที่จะทําให้ตรึกหรือคิดต่างๆได้ได้วยอำนาจบของเทวดาดนใจ เออเทวดาโดนใจคนมองเห็นใช่ไหมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครเคยโดนใจให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยเนะี่ยเออถ้าถามว่าเทวดาดนใจมีบ้างไหมถ้าคนไปอ้างอย่างนี้ยุ่งกันนะใช่ไหมบางคนก็พูดกันอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาสามารถรู้อะไรได้เหมือนกับมีคนคอยคัดซิว่ไงนะเนี่ยเหมือนน่ยนะก็คือคิดขึ้นมาโดยความว่าอยากจะพูดแบบนี้แล้วการพูดโดยมากตรงอย่างนี้หรือไม่ตรง แต่ไม่ได้ในความลักษณะอย่างนี้อย่าไปอ้างกันทั่วยงุ่งยุง่ย ง, งหรือประการต่อมาคืออะไรอนุโพธวเสนะรู้อริยสัจสีการรู้อริยสัจสีรู้ยังไงดูตรงนี้คำว่าอนุโพธวเสนะคือรู้อริยสัจสีเนื้อรู้โดยดยสุตตะมยจปัญญาจินตามัจจาปัญญาหรือภาวนามนปัญญาเนี่ยในสามประการนี้เป็นโลกิยะปัญญา เป็นโลกย้ปัญญาเนะี่ยการรู้ตามสมควรของแก่ชั้นของปัญญาแต่การรู้นั้นต้องไม่ขัดแย้งต่อมาขยานและผลยานด้วยนะใช่ไหมต้องไม่ขัดแย้งหรือความรู้นั้นถ้าโดยเฉพาะคนศึกษาพระธรรมนี่นะถ้าศึกษาพระธรรมนี่ยลักษณะที่จะเป็นสุตตะเนี่ยเหมือนที่เคยพูดบอบอกว่าปัญญาที่เป็นสุตตะเนี่ย ลักษณะของปัญญานั้นก็จะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงได้ด้วยคือสามารถที่จะรู้ปัจจัยเช่นปัญญาที่ไปรู้สภาวะสิ่งนั้นแล้วก็ปัจจัยของสิ่งนั้นเช่นถ้าไปรู้รูปประขันก็ต้องรู้ปัจจัยของรูปประขันรู้เวทนาขันก็รู้ปัจจัยของเวทนาขันรู้สัญญาสังขารวิญญาณก็ไปรู้ปัจจัยของรูปเวทนาสัญญาสังขารในลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนที่บอกว่า ลักษณะของสุตตะดีเนี่ยสุตะสจตตะนั่นก็จะเหมือนที่บอกว่านีคุณบุตรที่เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมฟังธรรมเมื่อทรงธรรมได้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ทรงไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมนั้นย่อมปรากฏซึ่งความพินิษเมื่อทนต่อความเพ่งพินิษอยู่ฉันท้ย่อมเกิดเมื่อฉันทะเกิดอุตสาหะเมื่ออุตสาหะเกิดแล้วก็ไตร่ตรองเป็นจินตามั้ยไตรตรองเป็นจินตามะยะบรรยายนะ ในขั้นพื้นฐานนะส่วนภาวนามยะปัญญานั้นเอายังไงภาวนามยะปัญญาลักษณะของภาวนาเนี่ยนะก็ดูกลุ่มในการฟังพระสัตวรทำการแสดงทำพวกนี้ลักษณะนี้เป็นภาวนาทั้งนั้นแหละอย่าไปเอาลึกอะไรมากเลยนะถ้าตามสูตรเขาอย่างนั้นในปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติก็ใช่จะไม่ไม่ใช่แต่วันคือคืออย่างนี้ไงแต่ว่าในที่นี้เป็นความรู้นั้นต้องไม่ขัดแย้ง เพราะเขาเป็นอนุโพธานี่อนุโพธาวเสนานี่ยก็แปลว่าเป็นปัจจัยแก่การที่จะแทงตลอดบางแห่งมีคําว่าอนุโรมขันติยานมันมีนะอีกยานหนึง่งยานที่อนุโรมขันติเออที่ขอโทษดีขอโทษดีดยานที่อนุโรมอริยสัตต์อนุโรมที่จะเป็นปัจจัย ก, การแทงตลอดอริยสัตต์นะมันคือฟังฟังก็ดีคิดก็ดีนะตลอดถึงการเจริญอบรม ปัญญาให้เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยแต่ปัจจัยในการกระทํานั้นเพื่อไม่ขัดแย้งต่อการแทงตลอดอริยสัจลักษณะเช่นนี้เป็นอนุโพธิวเสนะคือการรู้อริยสัจทีนี้การที่จะรู้อริยสัจเนี่ยก็ต้องตั้งประเด็นให้ถูกใช่ไหมสามารถที่จะกําหนดลงได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าสุดตาดีเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะต้องสามารถกําหนดได้ว่าเกาวลิงกราหารอันนี้เป็นทุกขสัจนะใช่ไหม แล้วอะไรเราคือเหตุเกิดของกางกรเวรเการิงอาหารยมสรีอะไรคือเหตุเกิดของคือสมูทายของของอาหารสมูทายของอาหารนี่คืออะไรตั้นหาได้ไหมตั้หาที่เป็นปัจจัยเหตงการที่จะต้องสแสวงหาอาหารนะั่นเป็นต้นหนะนึ่งอ่านไหแล้วก็ความดับของอาหารแล้วก็เหตุเกิดของอาหารนะั่นเป็นนิโรธอริยมรตมีองคศาคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับ ของอาหารนั้นก็ต้องลักษณะอย่างนี้เพราะภัสสะเวทนาสัญญาแล้วก็เออขอโทษดีผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารก็จะต้องรู้ว่านี่เขาเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ษัตริย์นะพอพูดถึงกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทชนี่ก็จะต้องรู้เลยนะเนี่ยเป็นทุกข์ษัตริย์ยังไงเคที่ทําให้เกิดกุศลกรรมบทเอางี้กุศลกรรมบทนี่เป็นอะไรเป็นทุกข์ษัตริย์จ๋าใช่ไหมอกุศลกรรมบทชแหละแล้วสมูทัยของกุศลกรรมบท อัตยเหตุเกิดก็อะไรเป็นสมูทัยของ<ล>กุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทก็บอกว่าอโลภะทุศะโมหะเป็นเหตุเป็นเหตุของกุศลกรรมบทโลภะโทุศะโมหะเป็นเหตุของเป็นไหมอกุศลกรรมมาบดลักษณะสมูทัยก็เขาต้องรู้ว่านี่คือรากก็กใชยแต่ลักษณะอย่างนี้ก็ต้องไปดูในสูตรท่านจัดอย่างนี้แล้วก็ว่าไปตามนะั้นทีนี้ถ้าหากดับ ดับเหตุเขาแล้วก็ดับตัวกุศลกรรมบทชเขานี่เป็นนิโรธอริยมรักนั่นเองเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ดับกุศลกรรมบวชอกุศลกรรมบทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังอริยสัจคิดอริยสัจแล้วก็มีเจริญอริยสัจในขณะที่เจริญอริยสัจนั้นเป็นเป็นภาวนาเป็นภาวนาอันนี้เป็นเป็นโลกียะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแต่โลกียะประเภทเนี้จะอนุโลม หรือคอยตามการแทงตลอดอะรอย่คิดไปมากมากคือถ้าคิดเรื่องแบบนี้นะแต่ก็คิดตามสูตรนะอย่าออกนอกแถวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการศึกษาพระธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าศึกษาพระธรรมเป็นอย่างนี้เราจะบางกลุ่มไม่ยอมรับเลยนะเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปนั่งคิดอย่างนี้ไม่ได้การศึกษาพระธรรมก็มาเขาไม่มาคิดอย่างนี้อารมณ์มันไกลไปอ่างนั้นใช่ไหมจะถามว่าอารมณ์ไกลไปมันกันบาปได้ไห ม, มถ้ามันกันบาปได้จะไกลจะใกล้ก็ คอยเอาเหมาือนการบาปได้ก็เลยเป็นประการเลยสำคัญดูอารมณ์ใกล้อารมณ์ที่กําลังปรากฏแต่การบาปไม่ได้อารมณ์มันก็ดูโลนไกลหรือใกลแต่จริงๆก็คือว่าทุกอารมณ์ต้องทำปริญยามใช่ไหมหมุนปริญญามไหมเมื่อกี้ที่ยกอัตถะทางให้นมูลปริญญ า, อ, อ, า, ญญาอารมณ์ใกล้หรือไกลทีนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ ปติเวทาวเสนะการรู้เรียสัจ ส, สีโดยมัคคานพลายา น, ยานอันนี้เป็นตัวโลกุตละนะมัคคานพลายานเนี่ยถ้าในธรรมจักกับปวัตนาสูตรทูตเจ้าตรัสว่าไงจักขงอุตปาทิยานเกิดขึ้นแล้วยานังอุทปาทิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุปตะอุปอุตปาทิก็คือวิชาเกิดขึ้นแล้วอโรโกอุตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ลักษณะอย่างนี้เป็นใช่เ อ, อถ้าดูในในธรรมจักกับปวัตนาสูตรนี่ชัดเลยนะถ้าดูในธรรมจักกับปวัตนาสูตรก็จะชัดเจนขึ้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสตรัสในเรื่องของอริยสัจคําว่าปฏิเวทวเสนะเนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของดูก่อนข้าพระเจ้าได้เอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุด2 อ, อย่างอันบนรรพชิตไม่ควรเสพคือการมาสุขคาลิการุโยกอัตตกิรัมิธานุโยคดูก่อนภิกษุทั้งหลายมชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางไม่เข้าใกล้ส่วน ส, สุดของสองอย่างนั้นอันตะถาคตได้ตัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบตอนนี้เป็นการฟังสุจาใ น, นตอนเนี้นะ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนพิกษุทั้งหลายมชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยด้วยปัญญายิ่งทํำดวงตาให้เกิดธรรมญาให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นฉไนก็บอกว่าอริยมรรคมีองแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเนี่ยเห็นอะไะเห็นอริยสัตตีเห็นไหมต้องต้องบอกลงไปนะถ้าความเห็นถูกต้องเนี่ยทุกอย่างต้องเห็นอริยสัตตี คำสอนทุกอย่างต้องลงอริยสัจสี่ให้ได้ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าความเห็นถูกต้องถ้างั้นเป็นความเห็นเรา <c oughs> ถ้ารู้ทุกเรื่องเนี่ยถ้าส่งข้อลงอลริยสัจไม่ได้ว่าอันไหนเป็นทุกขสัจอันไหนเป็นสมุ ท, ทยัยอันไหนเป็นมิโรธแล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะดับตัณหาหรือว่าเพื่อจะไปรอบรู้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคืออะไรถ้าไม่รู้ตรงนั้นถ้าอริยสัจสี่ไม่ปรากฏในความรู้เหล่านั้นไม่ ไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แบบ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้นต้องดูตรงนั้นเออมันมันมนัน่งนนึกอย่างนี้มันมันเป็นจริงๆนะชีวิตของพวกเราเอาง น, นอะอาจะสมมติถ้าสิ่งที่เห็นเนี่ยท่านชัยยันเคยสังเกตใช่ไหมว่าเวลาเราเห็นคนเดินมาปุ๊บนี่โอ้ยคนคนนั้นเขายากจนนะเราก็สงสารเขาที่มันได้แค่นั้นนะ่ะใช่ไหมถ้าเราทักในกลุ่มบุคคลที่เขากําหนดดี mm hmm. เขากาหนดกรรมก่อนใช่ไหมที่สงสารเนี่ยคือกําหนดกรรม กรรมสกตาสมาทิฏฐีเกิดว่าไอ้กรรมอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้ยากจนแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นกรรมใช่ไหมคํานวณจากพระธรรมคําสอนของพระเจา้าก็ตรวจสอบในเรื่องกรรมโอ้ยเขาเคยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมากี่พบก็มีเคยเป็นยาจกวันนี้พบก็บมีเหมือนพุทธเจ้าเห็นใช่ไหมแม้แต่เห็นเห็นสุกร ย, ยิ้มเงีย้ยก็เห็นหมูแค่นั้นยิ้มเลยบอกเนี่ยพระราชาในอดีตนะโดนน่าสลดใจนะ ถ้าคนมีกรรมสักตาสมาธิอย่างระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะันน่ากลัวจริงๆอะนะบอกโอ้โหแต่ก่อนพระอาทยิ่งใหญ่ปันใดแต่ปัจจุบันเป็นได้แค่หมูเงี้ยรอวันที่เขาจะเอาไปเชื่อดเงี้ยทีนี้พอกําหนดอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นด้วยความเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยความเป็นไปของขันธะาะยะนั้นเนี่ยว่าเป็นทุกข์ขัดจริงอีนี้ทุกข์ขัดเนี่ยมันเดินได้เพราะอะไรสมุทัยเนี่ยทำไมเหตุให้วัฏฏะให้มันหมุนไปไม่ขาดเนี่ยอจะดับได้ไง จะจะนิพพานได้งไงอะไรเป็นคือ้าดับตัณหาดับสิ่งเหล่านี้ได้ดับทุกขสัตว์ได้ดับตัณหาได้อันนี้เป็นนิโรธเนี่ยนีอริยามรรคยังไม่พุทธเจ้ารู้ข้อปฏิบัติถ้าเห็นแล้วลงอริยสัจได้เนี่ยแสดงว่าดานวนนั้นเป็นความเห็นถูกต้องหรือเริ่มถ้าเห็นถูกต้องแบบระดับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราคิดในเรื่องน้องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้ดีก่อ น, นี่บางทียังมองเรื่องนี้ไม่ออกเลยเนี่ย ยังตรึกเรื่องนี้ไม่ออกเลยใช่ไหมมาโนเจคเคยเป็นนี้บางทีไม่ได้เห็นใครเห็นสัตว์สั้งขารเห็นนกร้องเห็นอะไรเนี่ยไม่เคยตรึกลงกรรมการกําหนดว่าเรายังไม่พน้นเร า, ายังไม่พ้นเนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยตรึกในใจทุกครั้งที่เห็นนะได้ใเพราะเราเข้าใจกรรมไงก็ความเป็นไปของพบพบทุกพบเนี่ยมันร้อนอยู่ไหมถ้าร้อนนี่เป็นทุกข์กัตริย์ใช่ไหมมันบีบคั้นมันเร่าร้อนอยู่ไหมพบทุกพบเนี่ ย, ก, ยการเกิดแต้ขันทุกขันได้ กำเนิดทุกกำเนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังเสริฐชาโอปาติกะอันทช้าแล้วก็ชราพุช้าข้าพเสรยกาเนี่ยหรือการเกิดในกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทีตีเสร็จเจ็ดและสัตาวาสเก้าแล้วก็เราก็กำหนดอย่างก็ตืกพิจารณาอยู่ไหมพอพิจารณาอย่างนี้เราก็บอกโ อ, โอเ้เป็นทุกข์ว่าตาเป็ทุกข์สัตว์เนี่ยทีนี้มันเดินได้เพราะอะไรก็เป็นหมู่ทีนี้ถ้าเรากำหนดส่วนย่อยกำหนดยังไง ถ้ากาหนดส่วนย่อยก็มองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะดูว่าอย่างถ้าเราดูอย่างตาใช่ไหมถ้าตามสูตรเลยเนี่ยตามสูตรเลยเนี่ยถ้ากาหนดมันอยู่ที่ว่าอัธยาศัยเราน้อมในการเจริญเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาเออมันดูตรงนี้เนี่ยถ้าหากบางกลุ่มที่เขามีปัญญาเนี่ยเอเขากึกนิดเดียวไปได้ รูปไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงล่าฉันทราคาคือความยินดีพอใจในรูปเสียเมื่อเธอทั้งหลายล่าฉันทราคาคือความยินดีพอใจในรูปแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของพวกเธอทั้งหลายโดยสรุปก็คือขันห้าไม่ใช่ของเราของใครทั้งหลายเลย นั้นจึงจงลาฉันตราคะคือความยินดีพอใจในรูปเสียเมื่อละฉันตราคะคือความยินดีพอใจในขันเหล่านี้ได้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดการแล้วนั้นถ้าถ้าในลักษณะงี้คือเขาเขาคิดถูกเอพระบางรูปตึกพรรษาเดียวอย่างนี้ได้บรรลุแต่อย่างเราคงยังไม่ไม่ได้ะแต่ว่าก็ได้ยังไม่ได้ได้ความเข้าใจว่าเออเป็นอย่างนั้นอ่งนมันได้ความเข้าใจว่าเออ ถ้าสัมมาสังกปาความดำรี่ถูกต้องก็ต้องดำรี่ในกุศลกรรมกุศลวิตกษามก็คือว่าดำรี่ออกจากการมดำรีออกจากการไม่พยาบาทดำรี่ออกจากการเบียดเบียนลักษณะอย่างนี้ถ้าสัมมาวาจาก็เว้นจากวจีทุจริตสีสัมมากรรมันตาก็คือเว้นจากการทํากายทุจริตสสัมมาชีวาก็คืองดเว้นจากกายทุจริต3าวจีทุจริตสีสัมมาวายามะก็คือสัมมาประธาน4ี่ดูตรงนั้นเป็นประมาณ สัมมาสติก็คือสติปฐานสี่ระลึกในนั้นเลยสัมมาสมาธินี่คือฌานทั้งสี่ที่ไหนจะกล่าวอย่างนี้หมดเลยมาสมาธิไหมนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปาทาว่างั้นเทีนี้พอตรัสในลักษณะนี้ท่านก็ไปตามลําดับพอตอนท้ายของสูตรนี้ก็จะบอกบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบอกว่า ดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยพบไม่เคยฟังมาก่อนนี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยนี้ทุกขคนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามีปฏิปทาริยสัตดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นมาแล้วแก่แก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนทุกขานิโรธคามีปฏิปทาริยสัตจะนี้แลเป็นภาวนาควรเจริญนะ อันนี้เป็นคนคนเจริญนะอริยามรตเนี่ยส่วนทุกคนรอบรู้สมูทัยควรละใช่ไหมมีโรดควรทําให้แจ้งแล้วก็มรติควรควรเจริญเป็นกตาานตนนนนัตยานเป็นเป็นเป็นสิทธิยานดูก่รพลิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนทุกคดีโรตคามีอริยสัตว์นี้แลเราเจริญแล้วก็แปลว่าอริยามรคมีองค์แปดเนี่ย เออไปอยู่เนี่ยบอกว่าเหมือนที่บอกว่าพระพุทเจ้าตรัสว่าเมเื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นยานย่อมย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิใช่มีมิได้มีแล้วก็แปลอย่างนี้จบจิจจริงๆนะกิจในที่นั้นคือกิจเท่าไรกิจเท่าไร กิจสิกมร์หนึ่งมี4ี่กิจโสดาปิมรคมี4ี่กิจสกาธาคามรมร์ก็มี4ี่กิจอนาคามรมร์ก็สี่อรหัตธรรมมร์ก็มี4ี 4, 4, 6, 6, ก่กิจสี่46่ิบหกกิจกิจนั้นนะ่ะทำเสร็จแล้วจย่างยิงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนี่แหละลักษณะที่พระพุทธเจ้าแสดงจบอย่างนี้นี่แหละที่บอกว่าอัญญาโกณทะยาที่ได้ดงสายถามมีเป็นปฏิเวททวเสนะการลุเลี้ยสสี่ด้วยมรขยานได้เกิดขึ้น แต่ถ้าพะุทธเจ้าก็คือรู้ที่เนี่ยกวงต้นสีมหาโพน ล, ลักษณะเช่นนี้นี่เนี่ยเป็น <Okay. S 1> เป็นอนุไอปฏิเวทาวเสนะทีนี้ต่อไปดูอันนี้เป็นเหตุเกิดนะเหตุเกิดของวิถีประการต่อมาดูเนี่ยดูความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นกันของของวิถีก่อนแต่ให้เข้าใจว่าวิถีจิตทางมโนทวารเนี่ยตั้งที่ได้กล่าวมาเนี่ย อย่างนี้อธิบายเกี่ยวนในเรื่องการเกิดขึ้นล้วนๆของทางมโนทวารและวิถีที่เรียกว่าสุดท้ามโนทวาระวิถีใช่ไหมแล้วท่านก็กล่าวว่าเหตุสิบสี่อย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มโนทวาระวิถีนั้ น, นปรากฏหรือเกิดขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้เออในมโนทวาระวิถีมโนทวารและวิถีก็หมายความว่าการเกิดขึ้นสืบต่อกันของกระแสจิตเจตสิกเนี่ยนะทางใจมีสองประเภทประเภท กามชวนะมโนทวารวิถีกับอปนาชวนมโนทวารวิถีทีนี้ในกามชวนมโมทวารวิถีเนี่ยนะคือมโนทวารวิถีที่มีชาวนาจิตเป็นกามชาวนะเท่านั้นเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทคือตถานุวัติกะโมทวทวารวถิถีหรืออนุพันธิกะโนทวารวิถีเนี่ยนะคือกามชาวนมโนโทวารวถิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจทวารวถิถีโดยตรง จริงโดยหลักเก่าเดิมเนี่ยเขาเป็นสองอย่างเป็นอนุพันธกะใช่ไหมกับตถาหนวติกะทีนี้ที่จริงก็คือที่กล่าวไปเมื่อสักครู่กล่าวในเรื่องของสุทธามโนทวารวิถีใช่ไหมถ้าถามบอกว่าสุทธามโนทวารวิถีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรวิถีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะไม่ได้เกิดต่อจากทางบรรจารทวารวิถีที่อธิบายกันไปเนี่ย ส่นตัทานุวัติกะมโนทวารวิถีก็หมายถึงวิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจทวารโดยตรงคือวิธไม่ได้ขาดตอนจากทางปัญจงไงถ้าทางปัญจทวารรับอารมณ์มาแล้วก็รับต่อเลยนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตัทานุวัติกะมโนทวารวิถีในลักษณะของตัทานุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกรมมโนทวารวิถีเนี่ย กามาชาวน้ำหนวทววิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยลําพังของตนเองเนะไม่ได้แต่การเกิดขึ้นกันของวิถีประเภทนี้ก็ยังต่อเกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีนั่นเองไม่รู้ในชีดนี่เขามีภาพประกอบบอกให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีมีตรงไหนใ ค, ใครเคยเจออ๋อเนี่ยเดี๋ยวเปิดต่อไปก็เจอแล้วเปิดต่อไปอี ก, อกนี่ก็เจอแล้วที่เขาในหน้าที่สิบหกนี่ก็เจอแล้ว ถ้าดูตรงนี้ก็เห็นชัดแล้วก็ยังไม่ต้องเขียนแล้วทีแรกนึกหนักอกหนักใจอย่างนี้สบายเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้นี่คือตถาทานุวัติกะมโนทวารละวิถีทีนี้ขยายทําความเข้าใจแบบคร่าวๆตรงนี้ก่อนเลยนะเมื่อสักครู่ที่พูดว่ามาใครยังพอจําได้มหมยังพอจําได้ไหมที่ที่ที่ขยายเมื่กี้มหาลูกชิดพอจําได้ไหมที่พูดถึงในเรื่องของตถาทานุวัติกะแม่ที่เกิดต่ออย่างทางบัญญัติใครยังจําได้เนี่ย รื้อจาไม่ได้แล้ ว, <c oughs> ว <c oughs> ก็รู้ที่พูดเมื่อสักครู่นี่ที่หมายถึงว่าลักษณะของการปรากฏเกิดขึ้นของวิถีจิตเนี่ยน ะ, ะที่เป็นตถาทานวัติกามโนทวารวิถีนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นมโนทวารที่ที่เกิดติดตามปัญจทวารวิถีเป็นวิถีจิตที่เกิดติดตามไงติดตามไหนติดตามปัญจทวารวิถี ยกตัวอย่างที่บอกเมื่อระครังถูกตีด้วยท่อนไม้ครั้งหนึ่งแล้วรูป ก, กับรูปกระลาบใช่ไหมรูปกระลาบแปดรูปนี่ยกตัวอย่างไงคือกลุ่มของดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตที่เป็นธาตุตัวจริงของระครังนั้นย่อมกระทบกันและกันทําให้กระแสเสียงดังกังวานเนินไปได้นานฉั้นใดเมื่อทวารทั้งห้าจากกูทวารโสตัฐทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวานเนมื่อทวารทั้งห้านเนี่ย ถูกต้องอารมณ์ถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งแล้วนี่นะครั้งหนึ่งวิถีจิตก็ดําเนินไปในทวารทั้งห้าแล้วก็ดับไปทีนี้อารมณ์ห้าที่ผ่านมาแล้วก็มาปรากฏ ท, ทั้งทังที่อารมณ์ห้านั้นผ่านไปแล้วดับไปแล้วแต่อารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละกลับมาปรากฏทางไหนทางมโนทวารนะ <c oughs> ตามสภาวะของอารมณ์หรือประเภทของอารมณ์นั้นทให้วิถีจิต ที่มีมโนท ว, วารหลายร้อยหลายพันหลา ย, ล ย, ลา ย, ลายแสนวิธีดำเนินไปได้ฉะนั้นระวังที่เป็นทวาร